สังคณิกะปัจจเวขณะวิธีปิสังฆยนิโสิวรังปติเซวามยาวเดวาสิตาสะปติคาตายะอุณสะปติคาตายะดังสมกสวตตปสิริงสปสัมปัสสานังปติคาตายะยาวเดวหิริโกปินาปติชาตนาตัง ปฏิสังขายโณส๎ปินดาปัตตังปฏิเซวามีเนว a y วายะนามดายะนัมดานายะนาวิป a สนาญาญาวเดวอิมาสกายาสา a ิติ a า a าปนาญาวิหิงสุปารติญาบรัมชาเรญาโนกาห a ยา อิติพุรานัญชาวเวดนังปฏิหังขามินวัญจเวดนังนอุปาเดสมายัตราชเมพวิสติอนวัชต a จพสุวิหาโรจติปฏิสังขายนณโสเสนาสนังปฏิเซวามิยาวาเดวาสิตาสะปฏิคาตายะ อนนาสัปติคาตายาดังสมะกัสสวาตาตาปะสิริงสปะสัมปะสานังปติคาตายายาวะเดวุตุปริสยาวินโนดังปติสัน h านารามะทั้งปติสังขโยนิโสกิลาน a ปเจยาเพสัตชาปริฆารังปติเ e วาม i ยาวเดวะอุปนนานังเวยาภา a ิกานังเวดนานังปฏิ a าตายาอภิยาปชะปรมัตตาทิฏ